ก้นเจ็ดไข่ได้ป่วยมัน น, นาํนนาขนมานําคนมามันม้าน้ากันกับร่างกายเนี่ยก่อนเจ็ดไข่ก้นเจ็ดป่วยมาา้หลังม้าน้ากันกับร่างกายวันนีจะได้ร่างกายขึ้นม้าเราได้ก้นเจ็ดก้อนปวยมานนำโล่ตัางใจเข้าเป็นเล็กน้อยนะถึงมาอัญหาเบาเชื่อเนี่ยไปเบิ้งโลกพยาบาล โรคเด็กหน่อยแต่หนี้โรคคนหนุม่มคนสาวแต่หนี้โรคโผู้หญิงแต่ี้โรคผู้เฒ่าโรคไม่หนี้โรคคอไส้หนี่้มืดแตสรุปได้ว่าท่วมไปท่วมป่วยเนี่ยมันม้าน้ากันกำลังกาย่ันเท้ามั่วใจมวนมวอยู่กับพบกผูก้เห็นอีกละ่ะฮะนี้หลงังกันว่าท่วมมันป่วย วา่าแต่ว่าบา่อไข่นะบ่อพวยนะยนะม้วนไปเรื่อยม้วนสนุกม้วนเกิดเคลื่อนกำลังจะมือตายอันนี้บริคิดละ่ะมันมานํากันหนึ่งไถใหญ่หด้วยหนึ่ติดมานําำกันโหลดอันว่าจะเกิดมากใจ ม, มันน้ำโหลดบริซ่อมบริเห็นวงจัดอันมันเป็นเมื่อหลายหลายคนละบ้านเนี้ยตกใจได้บา้า ตกใจสีแค่มันม่าน้ากันเนี่ยเระเป็นมูกันขันซ่อมกันมานจะดนฉันเรากิดตีึ่งกันนี่ดอกแล้วไิซ่อมโดนดนจะมาซ่อมอย่น้นอะไรขึ้ดยางขึ้ดยางมันขันซ่อมมันจะดนบบกพุทธิบอยันดอกมือห้ยมันม้ามุยเจะดนแล้วบ้านนี้ไรกันย่เช่นมือ้อยเมวนแน่อื่นมื่ห้อยเนําผู่เบาพู่สาวมือห้อยเจน้กขอมจบข้มงาม ม้วน ah so hmm. like ้ำารน้ำงานม้วนน้ำหาเงินหาช่องับต้มบัตรใส่ในห้องคือเสียงเตือกันนั่นแหะคาเยเวล่าไฟเมื่อได้ยีดอกก็ป <ai> ิด <ministry> มัวต้าเนื้อม้วนจะได้ยุ้ยคาเซวาแนวเใดมากเหมืน้ไปจะเอาดอกบคุ้มบอกคุ้มครับเพนเข้าไปมัวต้าอันนั้นคาเซเวล่าคาเซกันเท่าเอามากู้ผู้จัดเ่้าของเ้าหูเมื่อเาของ กับแน ว, วมูนี้ใช่หระโอ้ประโยชน์ที่ได้หลายอยู่ด้ิมันเข้าคืดย่านหลายกับมันย่านควยย่านไข่นี่แหละ ย, ย่านควยย่านไข่แล้วก็ย่านตายเ ด, เ, าเด็กขันเท้าเด็คืดไปอยู่เลยโอ้มันยืดนําปูนี่ด้วยไข่คุยมันยืดน้ำปูนี่แล้วตายแต่ยืดน้ำกันนีกันเข้าคืด อ, อยู่เรื่อยๆเนี่ยเข้ากติคุนเคยแล้วมันอยู่ด้ คนุ้เคยแล้วแม่หลักจิติญาณวิญญาณไปไหนดอกไปจิบบริสุทธิ์ไหนเขาหูอยู่ไหมเพราะฉะนั้นแต่คิดค่ะคิดเดียวนี่แหละ ว, ว่าท่มเจ็บใสรแต่ ค, ค, ควยแต่อยู่น้ำเท่านี่แ ห, หละเขามีหนังหล่ะมีแทงมีสามีหูมีสามีหัวมีปัสสามีปอกมีใส่มีซับใส่ใส่ทุ่งกับมี นแหละคือแนวนั้นแหล ะ, ละมันมันปวยอะไรมึดซุ่มๆกันหอดวางหอดง่ามมากแหละต้นจีิมันกับปวยยีดอกมั น, นเพราะท่านเลยหลายพราะจีตอดออกมาให้เห่าเห็นตาเห่ามันหยาบต้องร้ายอิลิฟองโกโจอยู่บนน่ะมันยังเคยเห็นตาเห่าเห็นแม่เน่หน่อยก็เป็นตน้นเป็นเสื้อเป็นยังอือมากเพราะเคยเห็นดอกเนี่ย พันเทานั่งสงบอยูเ่เฉยะเข้าพีเจและหน้าในเด้อแนวมนี้แนวไปใกล้นี่ละ่ะเขาได้เอาไฟหลายมนะันก็ได้ไดอกม่นได้ม่นได้แน่ดีสนใจหาไก่ทำลาสัญหาสัหาวางวางมันสีนี่นี่ละ่ะท่ามากก็ได้วางมันสีนี่อย่างนี้น้ำลเลานี่แล้วเลาะน้ำกายเข้านี่แหละคู่บาอาจารย์เขาบอกว่าให้เอาพัน สันปิดซุดเหมือนภ า, ว, า, น า, นาวนวาเวลาตัวเราเอาใจมาพิดจระนากายเพาะฉะนั้นจระนา อ, อย่างโบ เ, เ, เ, เ, เหน็นแต่แค่ไงจระนาวามันเป็นของตกวโกโกันวาบตัวรกเข้าซ่อมมืเป็นอย่างเข้าป็นอย่างอย่างเอาเนี้ยมามาถูออกมาล้างออกัน่ป็นอย่างเชงเอาแนียหอมมาใต่แต่นั่นมันตกวกแล้ว จงมาชำละชะล่างออกอยู่สื่อมือเมื่อยื่อมืออันนี้มันบป็นต้นสกปรปกอั น, นตใหญ่ๆนันเป็นต้นออกมาเนี่ยอั น, น่มันเน่าอยู่ข้างในนี่มันออกมากเ น, นี่ยักคนนี้เอาปีเจรนาวะปีเจหนาวะมันเป็นของสกปรปกเป็นของบันจ บ, บาง่ามดอกเอบาเนี๋ก็ซ่อมไปที่บันนี้โอ้ยค้นนันเป็นอย่างไรมั่ม่าจะอ่อนกูเป็นอย่างมั่มมักมัน เท่าเราเจ็บของเท่าเราเห็นว่าตัวโป๊ะเป็นตะเกียบขึ้นอย่างเนี่ยเยอนเนี่ยหรือเขาบอเห็นเท่ามันเห็นเท่าๆก็จิเป็นแตะหากเลยต้องไปซ่อมแน้ทีเน่ะค่วมยินดีในร่างกายเนี่ยเมื่อกี้ลดลงมันเข้าหลงหลงไปมากผู้นั้นผู้นี้หรือย่อมย่อมเข้าหลงร่างกายเข้าหรือแรกก่อนเขาคิดว่ามันดีแต่เนะ ขันเท้าขิดว่ามันพอดีแล้วเท้าบก้าอาไปเค่ยแ่เคลื่อกรอกบก้าไปวัวซ่าผู้อื่นดอกอันนี้เท้าขึ้นว่าไม่เท้าโนูขัดยกแลว้วก็นั่นหละยังคอยสเสเสื่อใสผู้อืน่นขันผู้อื่นเขามามาต้ม่าเท้ายกมาเท้าง่ามหลงไปอีกแล้วนี่ลืมลืมไปจะของนี่แนวสีเหลี่ยมนี่หันแนวสกปกนี่หัน นี่แหละคณังลือคือแบบภาวนาเน่ยภาวนาว่าเป็นของโต๊ะโตกก็ได้เป็นของสีบวยื้อบวย้าวก็ได้เป็นของเคลื่อมไปเรื่อยเรื่อยังทีบท่านดนนี่หละมันติดแตกพนั้นมันติื่อยออกเมื่อใเนาเหม็นเขาก็บอท่ยืเพื่อนน้ำจเป้าเอาลงเพื่อนไปเขาไปจูบคนน่ะปฏิเสธเต่งคนน่ะือในเรื่องเนี่มันี่ยมันดูใกลใกล้เลยคือเนี่ยใกล้ใกล้เนี่ยไม่ได้คิได้อยุใจโพดมัน เดมื้อไฟบวชเถิกมิเห็นแต่เห็นของเขาของผู้อื่นเท่านั้นเอาของเขานี่แหละม่เป็นที่ใดประโยชน์ <c oughs> อย่าถาวารีวหาปูรา